ในนามอัลลอฮฺอัลลอฮฺข้าพเร้าขออวยพรให้ทุกท่านทุกท่านทุกท่านวุกท่านทุกท่านทุะท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่ามุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกทวานทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกทานทุกท่านทุกท่านทุกท่านทองท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกทากานทุก่กท่านากน่กานนกานก เพื่อที่จะมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่ากุรานที่เราได้รับทราบกุรานที่เราได้รู้นะครับวันนี้อยากที่จะได้เน้นย้ำนะครับว่าความสําคัญของอัลกุรอานคืออะไรนะครับนั่นก็คื อ, อ, อกุรานที่เป็นธรรมนูญกุรานที่เป็นทางนําและทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเราทุกเป็นผู้ศรัทธาจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะต้องพยายามนะครับที่จะได้นําอัลกุราน มาอยู่ในระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพเราทั้งหลายที่พูดอย่างนี้พี่น้องครับอยากให้เราเห็นถึงความสําคัญนะครับอย่า ป, ปล่อยปาละเลยแล้วอย่าคิดว่ากุณอ่านเราเคยเรียนแล้วมาตอนเล็กมาตอนยาว์วัยเราเคยเรียนแล้วเมื่อสิปีที่แล้วเราเคยเรียนแล้วเมื่อตอนนู้นตอนนี้ น, นะครับแต่อยากให้เราได้เข้าใจว่ากุณอ่านกับชีวิตผู้ศรัทธามันเป็นเนื้อเดียวกันของการที่เราจะได้นําอัลกุรอานมาสู่การดําเนินชีวิตรายวัน นะครับก็อยากให้มองและเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับครับพี่น้องครับเรากลับมานะครับในสุรอันกระบุตนะครับที่เกี่ยวไปที่แปลว่ามงมุมนะครับก็วันนี้ต่อเนื่องนะครับในอายะที่สิบนะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่เอาล็อสุภานนลาได้บอกแล้วสัญญาไว้นะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับที่ศรัทธาและปฏิบัติอามันดีนั้นพระองค์ จะได้ให้พวกเขาทั้งหลายอยู่ในกลุ่มชนพูดที่ทำดีทั้งหลายนะครับต่อมานะครับในอายะห์ที่10นะครับที่เอาล็อกเซอได้บอกว่าวามินันนาสคือเชีย่ยเห็นนะครับว่ามนุษย์มนุษย์ในทุกทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยนะครับจะมีประมาณแบบนี้คนที่ศรัทธาคนที่ปฏิบัติอามันที่ดีนะครับคนที่เชื่อฟังยอมรับนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะอยากจะรู้ความจริงอยากจะศึกษา ที่มาที่ไปของการของของตัวของแต่ละคนนะครับว่ามาอย่างไรมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหนทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็มีข้อวัดและข้อแตกต่างกันนะครับสำหรับบุคคลที่อาจจะคิดว่าชีวิตคือความสุขชีวิตคือการลเล่นชีวิตคือสิ่งที่หรือโอกาสที่เราจะต้องเก็บตักตวงอะไรที่เราอยากจะทําก็ทําอะไรที่อราอยากจะมีก็มี อะไรประมาณนี้นะครับไม่คิดว่าชีวิตหลังความตายคืออะไรไม่คิดว่าสิ่งที่เราได้รับวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของโอกาสเรื่องของอายันเรื่องของชีวิตในโลกดุนยานี้ไม่ใช่เราที่ต้องการหรือไม่ต้องการแต่เพราะอัลลอฮฺสลาได้ประทานให้กับมนุษย์นะครับให้กับประชาชาติทั้งหลายดังนั้นพระองค์ได้บอกว่าวามิ น, า น, นาันเนสและยังมีกลุ่มชนที่ทำไมไม่ยากูลูอามานนาบินละ ที่ยังบอกนะครับได้กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอ์นะพี่น้องลองดูนะครับก็ยังมีกลุ่มชนที่ว่าศรัทธาต่ออัลลอ์นะครับฟาอีราอูดีฟิละฮิจาลฟิดนัตันนสกะอาาบิลลนะครับนั่นก็คือครั้งที่พวกเขาทั้งหลายนะครับถูกทำร้ายนะครับในหนทางของอัลลอ์พูดง่ายว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นนะบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะเข้าใจ แล้วถือว่านี่คือการลงโทษของอัลล์แล้วเห็นฮะเป็นความเข้าใจเองลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วบททดสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในโลกดุญยานี้เราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหนตั้งแต่นบีรอซูลคนก่อนนะครับที่บรรดาสวฮาบะนะครับหรือนบีคนก่อนที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นถูก การแกล้งถูกทำร้ายถูกทรมานทุกอย่างเหล่านี้นะครับนะแต่ทำไมครับบรรดาที่มุนฟิกีนหรือคนที่เขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลองนเขาจะเข้าใจด้วยตัวเขาเองนะนะว่าอะไรที่เขาโดนวนในดุนยาเนี่ยคือเราทดสอบเรียบร้อยเรา ล, ล, ลงโทษเรียบร้อยแล้วเขาหวังว่าวันต่อต่อไปคงจะไม่โดนอีก หมายถึงชีวิตหลังความตายถ้าจะเกิดขึ้นถ้าจะมีคงไม่ได้อีกแล้วนะครับดังนั้นนี่คือความเข้าใจของเขานะครับบททรมานบททดสอบที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่กะอาซาบินละเหมือนนี่คือเป็นอาดาบของอัลลอฮ์นี่เป็นการลงโทษเรียบร้อยแล้ววลัยอินยาอนนัรุมมิรับบิกลายกูรุ่นเนีอินนาคุณนามากุบนะและเมื่อและเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตรงนี้ความหมายก็คือว่าเมื่อในสงครามเกิดขึ้น นะครับคิดว่าการถูกสังหารการถูกบีบขัน้นการถูกรังแกต่างๆนี่คือบทลงโทษจากอัลลอฮ์นะครับแต่ครั้งที่อัลลอ์ช่วยเหลือให้ชนะในสงครามนั้นๆได้รับชัยชนะได้ได้มีการเรียกว่าเก็บทรัพย์เฉลยอะไรมาต่างๆพวกเขาก็จะรุมเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าพวกเราก็อยู่กับพวกท่านไงนะเห็นฮะนี่คือการหน้าไหวหลังหลอกครั้งที่ถูก ข้าเล็กเกิดวิบัติวิกฤตต่างๆนะครับพวกเขาทั้งหลายก็จะปลีกตัวออกโดยที่คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่เส้นทางของเขามันไม่ใช่วิธีของเขาแต่ครั้งเมื่อได้รับชัยชนะหรือได้รับรางวัลก็จะปลีกเข้ามาแล้วก็บอกว่าอินนาะกุณนะมะกุมแท้จริงเราก็ศรัทธาเราก็อยู่ในกลุ่มพวกท่านไม่ใช่หรือหมายความว่าต้องการแบ่งส่วนแบ่งของทรัพย์เฉลยส่วนแบ่งของอนิสงส์ที่ บรรดาผู้ศรัทธาพึงจะได้รับเขาก็อยากที่จะได้รับด้วยในฐานะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาเรียกนะครับอวาริสโซลฮูบียแลมาบีมาฟีสุดุริลาละมีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้พวกเขาทั้งหลายได้รู้ว่าไม่ใช่หรือที่อัลลอฮ์ทรงรู้ในใจของมวลมนุษยชาติในใจของสาบลโรกประชาชาติทั้งหลายนะฮะอัลล์ทรงรู้ว่าในใจเขาคิดอะไรอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเขา มีความตระหนักตั้งใจจริงใจและไม่จริงใจอย่างไรนะครับนะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกินหรือพวกแง่ว่าพวกเขาทั้งหลายไม่คิดและก็ไม่คำนึงนะถึงความความยิ่งใหญ่ของลอสโซตาลาเขาเพียงแค่พูดเพื่ออยากจะได้ทําอย่างอะไรก็แล้วแต่เพื่อผลประโยชน์เบื้องหน้าที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้และพึงจะได้นะครับต่อมาครับ อัลลอฮฺสลาได้บอกไว้เพื่อให้ได้รับทราบนะครับว่าคนเหล่านี้นะครับที่เขาได้ทําที่เขากราบกรอกพูดเนืนท้ทีพูดอย่างนี้ทีแล้วก็อ้างต่างๆนานาบททดสอบเขาคิดว่านี่คือบทลงโทษเรียบร้อยอัลลอฮฺลงโทษแล้วนะครับนะทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้เรานั้นได้ได้สามารถได้เข้าใจและตระหนักได้นะครับอย่างเสมอนะครับว่าผู้ที่ มูนาฟิกหรือผู้ที่หน้าไหว้หลังรอผู้ที่ไม่จริงใจต่อการศรัทธาต่อลัสุภาตตะมันจะต้องออกข้ เ, ขเลกลายจะออกนะจะมีธาตุแท้ออกมาอาจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วุง น, น, นี้แต่นี่ที่กุรอานบอกให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมการกระทำหวังผลประโยชน์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้เขาสูญเสียหรือเขาจะได้ เสียเปรียบขาดทุนเขาจะปิดตัวออกแล้วก็หาเหตุผลต่างๆนาน า, นาขึ้นมาประกอบเพื่อให้เขาดูดีและเพื่อให้เขาดูว่าเขาสิ่งที่เขาทํานั้นถูกแล้วแต่ครั้งที่ผลลัพธ์หรือรางวัลหรือกําลังใจที่เอาล็อประทานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาจะปีเข้ามาเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเสียสละการอดทนการต่อสู้การปกป้องศาสนานะครับนี่คือภาพ นี่คือวิธีของบรรดาผู้ที่กระบกอกทั้งหลายนะครับพราะอัลลอฮฺสลาเด็กตรัสไว้ในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าวาลายาละมันนาเล้วละดีนาอามะนแน่นอนนะครับพระองค์อัลลอฮฺทรงรู้ว่าใครผู้ใดที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ใดเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงตรงนี้แหละครับพี่น้องครับมันยืนยันกับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าเวลาเราทุกคนนะ ที่ปฏิบัติในงานาศาสนาในเรื่องราวของาศาสนาในเรื่องราวการเสรียสละเพื่อเอาล็อกโซตลานะครับบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าการศรัทธาของเราการศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธานั้นใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือใครทําอะไรเพื่อหวังอะไรนะนะครับอาย่นี้ชัดเจนมากครับ <S <S เพื่ออะไรครับ <S 2> <S 2> เป็นกําลังใจให้รู้ว่าไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปหมดกาลังใจกับ อะไรที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แน่นอนครับมันก็มีในหัวใจของมนุษย์ทั่ ว, วไปเสียใจรู้สึกวันเกรงรู้สึกหมดกำลังใจนะครับจากการเขาเรียกหายไปของของทีมงานของทหารของคนสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นบททดสอบแต่ถ้าเราศรัทธาต่อลอศราัาพึงรู้่พึงรู้ไ ว, ว้ว่าเอาลอสุพานณนะัวตะลาได้บอกว่า วาลายะละมันวาลายะละมันนั่ละหุนละดีนันอามนุพระองค์ทรงรู้นะครับว่าใครคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงวาลายะละมันนั่นมุนาเฟกินและพระองค์ก็ทรงรู้เช่นกันนะครับว่าใครเป็นผู้ที่กับกรอกนะหน้าไหวหลังหลอกนะเห็นผลประโยชน์เป็น ความสําคัญเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตไม่เค่คํานึงและมองถึงในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการ เ, เสียสระในเรื่องของการคขลขิกชูในการเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของว็อกซุพหานาหัวนะตาลาพูดง่ายว่าพูดเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะลุม่มนะเข้ามาอยากมีส่วนร่วมแต่อะไรที่เป็นเรื่องที่ เขามองเขาคิดเขาคํานวณแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เขาขาดทุนเขาเขาจะต้องสูญเสียเขาจะปีกตัวออกเหมือนไม่มีเยื่อใหญ่อะไรนะครับนี่คือภาพนี่คือสัญลักษณ์นี่คือสิ่งที่บรรดาโมนาฟิกบรรดาผู้ที่น่าไว้หลังทั้งหลายนะครับใช้เป็นกลยุทธ์ในการอยู่ร่วมสังคมทุกสังคมเลยนะครับเขาอยู่ได้เขาพูดเหมือนกับผู้แล้วดูดีพูดแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจพูดแล้วสุดก็เขาเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคง นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้ช่วงวันเวลานะเวลาจะบอกและจะฉายภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นซึ่งอัลลอฮฺสุลฮฺได้บอกไว้แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดดูแล้วเหมือนจะจริงดูแล้วเหมือนจะใช่แต่ถ้าหากว่าเรายืนยันเรามั่นคงในหลักการเรามั่นคงในในคำสอนของท่านอับดุลลาว์วสุลฮฺมมั่นคงในสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับเราจะเห็นเราจะเหมือนกับ เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ได้เห็นว่าคนเหล่านี้คำพูดของเขาการปฏิบัติของเขานะครับและอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะค่อยๆฉายภาพโมนาฟิกออกมาให้เห็นนะครับต่อมานะครับหัวกอน ล, ะละดีนากาฟรุมาดูพี่น้องครับนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่จะเห็นถึงความเหมือนกับจริงใจเหมือนกับความขล็งความรักอั น, อนสุดล้นนะเพียงแค่ต้องการให้เรา ออกนอกแนวทางโดยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าวก้อลินลาดีนักฟารูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายนะครับแน่นอนฮะรวมถึงบรรดามุนาฟิกด้วยนะครับลินลาดีน่อามานูก่าวกะใครครับพวกเขาทั้งหลายกล่าวความบาปพุทธาทั้งหลายกล่าวเพื่อเชิงเยาะเยยกล่าวเพื่อเชิงว่าไม่เห็นยากตรงไหนเลยนะครับไม่เห็นลำบากตรงไหนเลยนะครับไม่เห็นที่จะต้องกังวลอะไรตรงไหนเลย เขากล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างนี้บอกว่าอิตาบิโอซาบีแล้วนะให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหันกลับมายึดหันกลับมาปฏิบัติในแนวทางของเราไม่ถึงแนวทางของบรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกปฏิเสธทั้งหลายนะครับเพื่อให้รู้ว่าพูดงว่าให้ทิ้งศาสนาให้ทิ้งอัลลอฮ์และรสุนของพระองค์ให้ทิ้งแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาสอนและนำมาบอกทิ้งทั้งหมดเหล่านี้แล้วกลับมาสู่ศาสนาเดิม คือศาสนาที่ก่อนจะเป็นก่อนที่จะรับอิสลามนี่เป็นการอะไรเชิญชวนเรียกร้องมีหลักฐานไหมมีรูปแบบไหมเปล่าเลยแต่เป็นคําพูดที่บอกว่าวันนะมิลคอตอยากลุ่มเห็นไหมฮะเป็นแค่คําลมปากคํายืนยันว่าและเดี๋ยวเราจะขอรับบาปของพวกท่านเองขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่อ่อนบีมุฮัมมัดมาบอกที่มา บ, บอกว่าถ้าทำนี้ผิดแล้วจะถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนั้น นะครับในกูบตจะเป็นอย่างนี้จะถูกลงโทษอย่างนั้นในวันเกียร์มัสจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรารับเองพี่น้องครับนี่คือคำพูดที่อเลอร์ได้บอกไว้ว่าบรรดาผู้ที่ไม่ยอมรับการศรัทธานั้นเขาอ้างอย่างนี้นะครับด้วยสถานะการเป็นผู้มีอานาจการเป็นผู้มีสถานะในสังคมการเป็นผู้ผู้นาของชุมชนเวลาแต่ละคำพูดเนี่ย คนฟังมันรู้สึกมีมีความมั่นใจนะครับเขาก็ใช้จุดนี้แหละครับโดยที่ไม่มีหลักฐานจะยอมรับอย่างไรจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับจะรับแทนอย่างไรเขาเองยังไม่รู้แต่ด้วยคําพูดที่พูดออกมานะครับคำพูดที่พูดออกม า, นะออกมาว่าจะรับผิดชอบนะฮะได้แค่ไหนละครเหมือนวันนี้พี่น้องครับถ้าจะยกตัวอย่างนะฮะ บ, บางทีเด็กๆในโรงเรียนนะบอกเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองนะ ร, รับผิดชอบไวต้ตรงไหน แต่เขาพูดเหมือนกับจะจริงใจถูกไหมผิดสามคนแต่ว่าอีกคนนึงแสดงความจริงใจออกมาเดี๋ยวไม่เป็นไรผมรับคนเดียวขอรับคนเดียวเห็นไหมแต่เขาจะรับไหวไหมจะทําไงที่จะรับเาขาเรียกความผิดของคนหลายๆคนเนี่ยไว้รับอยู่คนหนึ่งจะทํำยังไงนะนั่นเป็นขาว ขลังกุสโลบายหรือคําพูดดูดีเพื่อทําให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหันหลังให้กับศาสนาหันหลังให้กับท่านนบีสุลต่าละหัอะลัยฮิวะสัลลัมหันหลังให้กับคําสั่งสอนหันหลังให้กั บ, กบอัลกุรอานเพียงแค่คําพูดบอกว่าวันนะเมลคอตอยากุเราจะขอรับบาปข้อผิดพลาดของพระท่านทั้งหลายเองอัลลอฮฺเซลา้ ว, วได้บอกอนี้พี่น้องทุกคนะไม่ว่า เขาจะพูดอย่างไรไม่ว่าเขาจะมีแนวคิดอย่างไรนะครับอัลลอลาอัลอซุพานะหัวตาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอันเพื่อให้บรรดาผู้สาธาทั้งหลายนั้นเมื่อศึกษาแล้วเมื่อเข้าใจแล้วคิดใจรองความเป็นจริงความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นไปนะไม่ใช่เราเชื่อไม่ใช่เราพร้อมน้อมรับเพราะเขามีเงินเพราะเขามีอํานาจเพราะเขามีตําแหน่งเพราะเขาอยู่ในสถานะที่สูงกว่า ไม่ใช่แค่นั้นที่จะเป็นหลักฐานในการที่เราจะ้เชื่อมั่นหรือได้ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพระองค์อัลลอสุบานะฮหัตาลาได้บอกว่าวะมาหุมบิฮามิลีน่ะมีขอต่อยาหุมมิใช่อัลลอฮฺยืนยันครับว่าพวกเขาทั้งหลายไม่มีหรือไม่สามารถที่จะรับความผิดที่จะแบกรับความผิดของบรรดาผู้สาธาททั้งหลายได้แม้แต่นิดเดียว มีใช่คือส่วนนี้ก็ไม่สามารถจะมารับผิดกันได้พูดง่ายๆว่าไม่มีใครรับผิดของบาปอีกคนหนึ่งได้ใครทําคนนั้นต้องรับไปใครปฏิเสธใครฝ่าฝืนใครไม่ยอมรับก็ต้องรับไปนะครับไม่ใช่ว่ามาบู๊อย่างนี้แล้วแล้วบาปของเขาเนี่ยที่จะถู ก, ถกลงโทษในนรกเนี่ยเดชะรับคนเดียวไหนๆฉันจะตกแล้วก็รับคนเดียวไม่ใช่เลยที่นะครั่นะนั้นกุรานบอกเพื่อให้เราตระหนักว่าอย่าหลงนะครับ แล้วอย่าดีใจตายใจว่าเราเชื่อเขาเดี๋ยวความผิดเขาก็รับไปนะครับเราปฏิบัติตามเขาก็เดี๋ยวไปบอกกับเล่เองว่าเขาพร้อมจะรับบาปของฉันเองไม่มีแหละครับเพราะวันนี้พูดเราเนื่องจากเรายังไม่เห็นบทลงโทษความน่ากลัวนะครับความรุนแรงยังไม่เห็นนะครับยังไม่ประจักษ์ในโลกดุนยานี้เราเห็นอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ได้แค่เสี้ยวเศษของการลงโทษในวันแห่งการตอบแทนเลย วันนี้จะดูดุดันขนาดไหนในอดีตจะดู เ, าเาขาเรียกน่ากลัวอย่างไรนะครับมันก็ไม่เท่ากับอาณาของอัลลอฮ์ในวันแห่งการตอบแทนหรือ ว, วันเกียมาตนะเองนะครับดังนั้นคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่เขาเรียกว่ามายืนยันเพื่อให้คนทิ้งนะหลักการที่แท้จริงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลตลาได้บอกไว้ในท้ายอายะห์ที่บอกว่าอินนะฮุม และการรบุลแท้จริงพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่สับประพูดโกหกกลาวเท็จนะเพราะอย่าลืมนะครับเป็นเกา่กาๆนะวันนั้นจะเอาอะไรยืนยันจะเอาอะไรยืนยันมีอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮาอัลลอฮฺได้บอกไว้นะครับที่บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วทุกคนก็จะอ้างว่าเนี่ยเขาหลอกฉันหมายถึงเชตตอนนะเชตตอนรอให้ฉันทํำนู่นทนํานี่แต่เชตตอนว่าอะไรครับอิบลี บ, บอกว่าเปล่าเลยฉันไม่มีสิท เพียงแค่ฉันเสนอและท่านก็สนองดังนั้นรับพฤติกรรมเห็นไหมพูดอย่างนี้เราจะทํำยังไงอ่ะวันนั้นแก้ไขอะไรไม่ได้พี่เหล่ากับวันนั้นไม่สามารถทจะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในเสี้ยววินาทีในในการที่กลับมาสู่โลกดุนยาในการทําอามันอิบาดาห์ไม่มีโอกาสนั่ น, น, นคือสิ่งที่บอกว่าคุรานบอกสอนชี้ให้เราเห็นว่าอะไรจะ ม, มันจะเกิดขึ้นอะไรที่มันจะมีในแต่ ในในในในการใช้ชีวิตในยุคของหรือในประชาชาติของท่านนาบีมอมฮ์มมัดสอดสละและแน่นอนครับว่ามันก็มีตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คําพูดต่างๆเรานาที่ต่างๆเรานาที่กุณอ่านได้ได้เอามาเป็นตัวอย่างนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปแต่ความหมายเป้าหมายอันเดียวกันนะครับก็คือทําให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายออกนอกหรือออกห่างจากสัตธรรม การศรัทธาที่แท้จริงต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าที่แท้จริงนั่นก็คือเอาล็อซุกหานหัวตาล่าพระองค์ได้ทิ้งท้ายและบอกกันในอายะห์นี้ที่บอกว่าอินนะฮุมละการรบุญว่าพวกเขาเนี่ยที่มากราวที่มายืนยันที่มามาเชิญชวนเรียกร้องอย่างนี้พวกเขาทั้งหลายโกหกทั้งสิ้นนีโกหกทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เขาจะยืนยันและไม่มีหลักฐานอะไรที่จะบอกว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนได้ นะครับดังนั้นนั่นนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นปลอดภัยจากการล่อลวงหลอกลวงและคำพูดดูสวยหรูแต่แฝงไปด้วยการทรยศการหักหลังนะครับดังนั้นผู้ศรัทธาจึงต้องมีสติแล้วให้คุรานเป็นทางนำของชีวิตของทุกคนนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในอากาศต่อไปครับสวัสดีครับ